เอาประเด็นต่อมาคือความไม่โกรธเป็นศีลอย่างไงที่อามายกตัวอย่างให้จําไว้นะเอามาคิดคิดเดี๋ยวเนี่ยก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวเนี้ก็คือความไม่โกรธเป็นศีลสุดท้ายด้วยนะท่านเนี่ยยกตัวอย่างนีะท่านไปบินระบาดใช่ไหม ต้องระวัง่ดินบาทเนี่ยใจคิดอยากได้อาหารโยงมมีอยู่ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไอม้โมโนโฤฤฤุจิลิเนี่ยที่เป็นเป็นอภิชาเนี่ยก่อนเพ่งหนึ่งสมัยแต่ก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจกุศโรศีนข้อ น, นี้เออไม่เข้าใจเรื่องอภิชาในข้อ น, นี้ผมก็ให้เห็นเป็นไรเลย แล้วอยากแล้วเขาไม่ได้ไปบอกใครใช่ไหมแตนึกในใจโอ้โหเนี่ยไม่เคยได้อาหารถูกกตะโลกเลยใช่ไหมได้อาหารเนึ่ยนึกในใจเหมือนิพพานโลกนึงท่านบอกว่าเออท่านบอกว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยท่านติดมากมากเลยว่าท่านนะ เดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวมดิ้นระบาดร้านนี้ไอนี่ท่านมาพูดเองเลยนะอันนี้ความโลภมันเกิดแต่มันไม่รู้จะพูดยังไงไอ้ความโลภในลักษณะนี้ไม่เป็นปนะไม่เป็นอภิชาไม่เป็นพยะไม่ไม่เป็นอครบองค์นะเป็นความโลภแต่ไม่ครบองค์เพราะไม่ได้ไปเพ่งเล็งอยากได้ของเขาแต่มันโลภขึ้นมาพวกปลากธนะ แต่รู้ว่ามันมันปราถนาไปมันก็ไม่ได้ก็ตัดรอนเข้าะอย่างเงีะยในตอนเนี้นยเป็นอย่างนี้จะมีพระอยู่สององค์ท่านเดินมีญจบัดราาอบแรกเขาไม่มีได้เข้าเลยท่านมาเล่าอย่างมาปั๊บไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้อีกอยุง่งแล้วทำอย่างพระอริยะดีกว่า <c oughs> การอย่างพระอริยะก็คือไปยืนอยู่หน้าร้านก็เกี่ยว <c oughs> ยืนอยู่างนั้น อายืนได้นะแต่อย่าไปทําจิตโลภนะเพราะว่าการยืนแบบนิ่งๆเนี่ยนะเป็นการขอแบบพระอริยะนะแม้แปลพระอริยะท่านมาขอนั่นนะถ้ า, ามีาพระไปยืนเชยๆอยู่หน้าบ้านนะถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่าวันนี้ไม่มีศรัทธาก็นิมนต์ท่านจะบอกวันนี้ไม่มีศรัทธ า, าป็ด้เข า, าใช่ไหมถ้าวันในวันหนึ่งมีพระไปยืนหน้าบ้านแปลว่าท่านขอแบบอริยะ ท่านไม่พูดหรอกท่านไปยืนเรอิยะเป็นแบบนั้นพระอริยะท่านเป็นยังีฮะโอ้ยติดตามเรื่องไม่ <c oughs> ดมเด่น <c oughs> ที่ตามเรื่องนั้นเลยจะดงว่าต้องสรุปจบไปได้บ้างอ๋อใช่ฮะไม่ผิดเพราะว่าในสมัย้ังพุชธการ <ś c oughs> พูดเป็นเดียวเพราะคนไม่ศรัทธาเยอะบางท่านเขาก็บอกว่ามีมูลข้างหน้าเลยบ้านนี้ไม่มีศรัทธาจะต้องความ คือคือมีแล้วไม่มีหมายทั่วไม่มีก็อคนจะพูบกว่เราเราไม่มีของแต่ว่ามีมลกันไปข้างหน้าใช่ใชแต่ว่าเรามีของเราไปมีมลทันไปข้างหน้าอย่างนี้มันเป็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธา <c oughs> แล้วไม่ศรัทธาที่จะทำก็เป็นเรื่องปกติถ้าก็ต้องเจอหลายหลายลูกลคือคือการเดินพิณทบาทเนี่ยมันต้องวางใจที่เป็นบางครั้งเนี่ยเดินเป็น ไม่จะผิดหวังมากพอสมหวังเลยะ้อใส่นี้ไม่ถี่มากมนี่ก็เดินก็ต้องใจต้องเป็นไปกับเมตตาทุกบุคคลจะได้รับคําชมหลึกคําตําหนิทิ้งทาเนี่ยต้องต้องวางจิตตึงเพราะน้อมในการที่จ ะ, สะแสดงเมตตาสดงถากหรือจะปเป็นไปกักรรมฐานทันใจอย่างจะต้องวางวางจิตตึงอยากร้อนเข้ใส เย็นเลยนะคับเย็นแล้วก็ใชร้อนใช่ไหมอันนั้นแหละคือเป็นท่านจะพิจารณาว่าโทษของการแสวงหาพระราชาก็เป็นเหมือนเราไม่ต่างกันนี่แหละการที่จะต้องมีขันการที่จะมีรูปขันเวทนาสัญญาสัญญาีญญายานที่เรื่องเรียนดูนี่ไงเนี้ยก็เพียงพอแล้วที่ต้องนีดเบื่อหนา่าในการที่จะเรียนคัดขึ้ น, งงนขอไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ถ้าภาวนาเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาภาวนาแบบไหนภาวนาแบบตลอดไปหรือภาวนาเฉพาะเรื่องโอ้โหพระถึงแม้เขาภาวนาไว้ก็ถ้าดูว่าไม่คุ้นเคยท่านก็เฉยท่านก็จะต้องดูจังหวะว่าถ้าประเภทที่ภาวนาแบบว่าท่านปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปกับพระธรรมนี้หนึ่ง ก, ก็ก็บอกไปเลยถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่มีข้อจำกัด คือคือยอมที่เขามีความเข้าใจเขารู้พระวินัยเขาจะภาวนากับพระที่เป็นที่พระที่รักษาวิในัยนี้ยอมก็ยอะก็จะภ า, านะวนาไปเพราะภาวนาไปเสร็จแล้วเนี่ยพระท่านขอได้โดยไม่มีโทษกระท่านถ้างั้นท่านจะไม่ขอเด็ดขาดถ้าขอไปมันจะเป็นโทษกับท่านเลยถ้าขอบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาท่านเป็นอบัติมันคิดอยู่ดิโอเป็นโทษกับท่านมากเลยก็คือว่าท่านจะต้องมาผิดเสียหายกันกับขอ้ขอขอ้ขอสม ไม่ต้องพูดถึงการหยิบไหม่แล้วก็ยอมลยเดี๋ยวทําตรงนั้นทําตรงนี้โอ้โหไม่รู้ไม่รู้จะกินอะไรกันเลยแบบนี้นเสียหายมากทิงบอกว่าเหมือนอามาจะหยิบใหม่ญาติโ ย, ยนทั้งหลายเดี๋ยวรวมกันนเสร็จแล้ก็เขาไม่ได้ภาวนาไห้คุณไปพูดได้ยงไงข้อไปเดียก็ไปกระทบภบคนอืน่นได้ไหมนี่นี่ยกตัวอย่างถ้าอามาเนะคนอื่นก็ไม่ว่ากันอาณ า, าไปพูดถึงเสียเลย ก็เอาที่จะกล้าถ้ากล้าแรกแรกกับที่ตนเองจะต้องเจ็บปวดในอนาคตก็ทําไปก็จะเย้ไหมา็ทำไ ป, ไปถ้าไม่สงสารเนี่ยถ้าไม่สงสารตัวเองก็ทำนี่พระเป็นแบบนีน้ถึงบอกว่าในทางพระธรรมคาสอนเรื่องศีลนำคัญใช่ไหศีลนะ่ะสำคัญ ประเด็นต่อไปก็คืออัโทสาก็คือความไม่โกรธอัโทสาก็คือความไม่โกรธคือความไม่ขึงเครียดแล้วก็เป็นไปกับเมตตาเนาะเป็นไปกับเมตตาอโทสาเนี่ยเป็นองค์ธรรมของเมตตาด้วยเป็นองค์ธรรมของขันติด้วยเป็นรากของศีลด้วยอโทสานี่นะเหมือนกับโลพาเนี่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นรากของกุศลศีลด้วย ถ้าอัโทศาสตรเมีนะแข็งแรงในภะูสุและศีลก็แข็งแรงเพราะเป็นรากใช่ไหมถ้าตัวเนี้ยตัวอัโทศาสตร์ตัดบันทอนนี้เนะีศีลจะไม่ไม่เจริญเละศีลจะไม่งามเลยฉะนั้นอัโทศาสตร์คือสภาวะที่ไม่โกรธที่นะที่เป็นไปกับเมตตาเอายกตัวอย่างยกหวานมีเมตตา เห็นหพอมีเมตตากับบุคคลโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็น้องทำให้ตนเองนั้นไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็ดไม่ส่อเสียงไม่ไม่พูดไม่กล่าวคํหยาบไม่พูดเพ้อเจอเห็นหมว่าความไม่โกรธความที่เป็นไปกับเมตตาในบุคคลทั้งหลายแต่กัดมาจัดแจงกายวาจาให้เป็นไปด้วยงาม ทำกายกรรมให้งดงามทำวจีกรรมให้งดงามแล้วก็ทำจิตให้งดงามแปลว่าสามทวารสะอาดมเลยทางกายทวารวัจีทวารมรุทวารก็สะอาดและใจก็เป็นไปกับเมตตาแล้วก็ไม่น้อมในการที่จะผิดศีลถ้าอย่างนี้เป็นเจจะศึกศีลเข้าใจ ย, ยานัน และสภาวะเหล่านี้เกิดบ่อยเกิดบ่อยๆแั็งแรงมากเกิดอย่างปริมาณที่หนาแ น, น่นเมื่อปริมาณในการตรวจหนาแน่นมากขึ้นมากขึ้ น, นแต่ว่าศีลมั่นคงนั้นตรงนี้ไงคนมันเดินกันไม่ได้ถึงนี้โยอมพอลที่เป็นประเด็นอยูกันอยู่ทุกวันเนี่ยทําให้เกิดไม่ได้และศีลเหล่าเนี้ยไม่ต้องอาศัยว่าจะต้องมดเว้นเดียวนั้นงดเว้นเดียวนั้นไม่ใช่เลยเนี่ย ให้เกิดเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยตัวกุศลศีให้เกิดเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้เลยเมตตาเนี่ยหรือความให้โลภเนี่ยเพื่อมาจัดแจงดูแลกายกร ร, รมวิจิกรรมเนี่ยแล้วก็ทํามนโนกรรมให้เป็นไปกกุศลแล้วก็ไม่น้อมที่จะทําบาปมีการฆ่าการละการเบืพืพ่อผิดเองามไปน้วยมีการเพื่อจัดเต่งวาจาในการได้พูดคําสัตย์คำจริงเนี่พูดไม่พูดเท็จ พูดแต่คําสัตย์คำจริงไม่พูดส่อเสียดจะพูดแต่ละทีก็พูดให้คนสามัคคีกันรักกันมีความตรงเทียวกันใช่ไหมไม่พูดคําหยาบจะพูดแต่ละีก็มีวาจีไพเราะด้วยแล้วก็ไม่พูดด้วยบาปไม่พูดด้วยเมตตาด้วยแล้วก็ไม่พูดเพ้อเชื่อพูดเรื่องราวอะไรก็หูหน้าฟังแล้วก็เป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับหลักการไม่ออกนอกเรื่อง ลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัวอัโทสะนั่นแหละมาเป็นศีลแต่มาดูแลจัดแจงกายวาจาและทำใจให้เป็นไรกับบุญเนี่ยถามว่าศีลมันเกิดขึ้นในชีวิตรจริงไหมแบบเนี้ยแล้วมันถ้าถ้าศีลเกิดขึ้นนี่ยมันแปลกแยกจากสังคมไหมไ ม, ไม่แปลกแยกกับสังคมเลยนี่คนจะเริยนศีลกันไม่เบนก็ไม่รู้จะทํายังไง ใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงแต่เบื้องต้นก็คือว่าจัดแจงประชุมความเข้าใจต้องเราให้ชัดก่อนถ้าวันใดวันหนึ่งนแะนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี้ยเดินกุศลศีลได้นี่นะคนอยู่ใกล้ๆโยมเ่ะจะพอให้เห็นผลของกุศลศีลที่ออกมาทางกายทางวาจาและทางใจของโยมด้วยแต่ที่ผ่านมาที่มันไม่ได้ผล เพราะสีมันไม่เกิดที่ใจมยยุงโยมงมงคลแล้วไม่จกกัดแจงกายกรมมก ร, ม ม, ก ร, ม, ม, กรมมจีกรรมมุงโยมงมงคลนี้ชัดถ้าชัดเมื่อไหร่นะคนที่อยู่ ใ, ใกล้ก็คอยได้รับอา น, นิสงส์แน่นอนเมื่อมาเวลาอยู่กับพระอันนั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนั้นก็ตั้งหล่ะ เมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาอวีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามนโนกรรมต่อหน้ารับหลังให้เป็นไปกับกุกรรศลศรีลไงแล้วก็มีสาธารณโพคีได้ปัจจัยได้ได้ลาบสการะเกี่ยวกับไปบินบาศมาก็แบ่งปันเห็นไหมศีรสษารรมัญญตาก็ดูแลกันเรื่องกุศลศีลให้มีความเสมอกันเป็นไปกับกรรศรุศลทิฏฐิสามัญตาก็คือให้เป็นไปกับเสมอทิฏฐ เนมาตั้งหลักเอาคําสอนพุทธเจ้ามาตั้งไว้เลยบอกพุกคุณเนี่ยเดินตามนี้ศาลาเนี่ยทำแล้วอยู่ด้วยกันที่ไม่มีสีเนะี่ยไม่มามาก็ปัญหาไหมที่มาแล้วก็ขอให้มีความสุขตั้งหลักเดีย๋ยวนี้ถามเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไะมีความรักมีความกลมกลืนเชียงบางองเนี่ยเวลาจะจากกันรนะ้องไห้นะ มีวันกบางองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรจะจากกันเนี่ยบางองค์แบบประเภทที่นั่นนร้องไห้ผูกพันธ์ไงรักกันแบบเมตตาคือเขาไม่เคยมีความสุขในชีวิตทางโลกเนี่ยเขาไม่ได้เจอแบบนี้เลยใช่ไหมไม่ได้เจอเลยเนะว่าสภาพที่มีความปรองดองกันมีความรักกันการกระทําทั้งต่อหน้าและหลังเป็นไปกับเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและหลัง ก, เก็เมตตาใจกันเนอะเมตตาทั้งต่อหน้าและหลัง การแบ่งปันกันช่วยเหลือกันศีลเสมอการความเห็นที่เป็นไปกับคําสอนสมสมดูรลยแต่ถามว่าถ้าเราอยู่สังคมอย่างนี้น่าอยู่ไหมน่นนายอยู่ทั้งๆอย่างนี้มีสังคมของคนมีศีลท่ า, าก็เลยมีความรู้ว่ า, วามันต้องสร้างชุมชนแบบเนี้ตอนนี้อามาก็ขับเคลื่อนก็นต้องทําจากจุดนี้นะจากสององค์สามองค์ขึ้นมาดิเลย แล้วให้เป็นแบบให้เป็นแบบฉบับของค ำ, นงำนนงนเนี่ยนี่ไงคำสอนพระเอยากนี่ไงศีลเนี่ยดื่มได้จริงๆมีรสชาติจริงๆสมาธิปัญญาเนี่ยศิกขาสามเนี่ยก้าวเข้าไปอยู่นี้นีได้จริงๆด้วยเอามาประชุมในกระแสขันธ์าตุยานะาได้จริงไม่ใช่เป็นแค่ราคานั่งมานั่งคุยกันไปแล้วก็ประจบ ก, ก็คือจบไม่ได้ทำอะไรต่อเลย ไม่ชอบแบบนะ้เหมือ น, น, นมานั่งฟังเนี่ยฟังไปเ็ดเสร็จก็ไม่มีการขัดเกลาเลยเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเขาว่าเหมือนเดิมก็คือปล่อยบาปเล่นงานใจตลอดเด่เงี้ย่ไมาไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่่า่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่่าไม่ชอบใจบามอไม่ไม่่ไ่ไมม่ามมนะ่ไม่ไ่ไ ทั้งๆ ท, ที่เราศึกษาคำสอนมันก็ไม่ยินใหญ่เพราะพรได้ย่าใช่ไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนะน้าโยอมมงคลเข้าใจคาสอนพระเจ้าเนะ่ยอมมงคลไม่อยากเข้าใจคำว่าจิตจะตื่นตลอดเลยจะพักผ่อนก็ต่อเมื่อว่ามีจิตจาเป็นเวลาที่จำเป็นกพั ก, พก่อมาก็ตื่นเป็นไปกระทำคำสอน แล้น้อมหัดเขาด้วยเองเลยเพราเริ่มีเป้าหมายในชีวิตด้วยชัดแล้วเนี่ยนะนี่กรณีอย่างนี้เนี่ยลักษณะของอโทศาสต์เป็นศีลประการต่อมาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้ปัญญาก็ได้อโมหะก็ได้กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเหล่าเนี้ยก็ที่เป็นศีลได้ยังไงใช่ไหมช่างเจดูไหม ถ้าก็ถามว่าทำไมปัญญาเป็นศีลปัญญาน่าจะเป็นปัญญาใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ในฐานะนี้ปัญญามาเป็นศีลได้อย่างไง mm hmm. ก็เหมือนยกประเด็นว่าทำไมเจตนาเป็นศีลได้สมาวจาสมากมัมมนาสมาชิวะตรงตัวอยู่แล้วเป็นศีลสิกขาความไม่โลภเป็นศีลได้เอาสิเมื่อกี้พูดไปแล้วังให้ความไม่โลภเป็นศีล ความไม่โกรธเป็นสีได้ทีนี้มาพูดถึงปัญญาเป็นสีอือปัญญาเป็นสีที่ประหลาดไหมประหลาดนะน่าจะเป็นปัญญายังไม่ไม่น่ามีอยู่ในฐานหน้าเป็นสีปัญญาที่มาอยู่ในฐานหน้าเป็นสีเพราะปัญญาไปวิจัยเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมและเข้าใจผลของกรรม เข้าใจว่านี่เป็นกรรมหนักนี่เป็นผลของกรรมหนักนี่เป็นกรรมดำกรรมขาวใช่ไหมนี่เป็นกรรมที่เป็นทิศถาธรรมาเวรนิยกรรมอุปเช้าเวรนียกรรมอัปราพระเวรนิยกรรมนี่เป็นกรรมที่ทําในปัจจุบันนภพจะให้ผลในปัจจุบันภพกรรมที่พระทำในปัจจุบันภพจะให้ผผลในภพถัดไปกรรมที่ทําในปัจจุบันนภพจะให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไป ที่สรุปก็คือเข้าใจเรื่องกรรมเยอมบางคนแค่นอกุศสรกรรมเนี่ยบาปอกุศสรกรรมทั้งหลายเนี่ยให้ผลเป็นความทุกข์หรือสุขใช่ไหมกายทุจริตรวจีทุติจาริตรวโนทุติจาริที่เป็นอกุโสรกรรมนี่นะให้ผลเป็นความทุกข์ไหมอบายทุกขติวิบัติในโลกใช่ไหมแต่ถ้ากายสุจริตรวจีสุติจาริตรวโนสุจริต อันนี้จะให้ผลเป็นความสุขมีสุขติโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าเข้าใจเรื่องกรรมเบ็เสร็จไอความเข้าใจที่เป็นตัวปัญญานี่แหละก็เลยมาจัดแจงแหล่งจัดแจงกายกรรมไม่ให้ฆ่าไม่ให้รักเป็นต้นและจัดแจงวจีกรรมให้มีการกล่าวชอบไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเชื่อเป็นต้น แล้วก็จัดแจงจิตใจยังไงไม่ให้โลภไม่ให้โกรธแล้วก็ไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นท่านตัวปัญญามาจัดแจงใน ล, ลักษณะอย่างเนี้ยลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นเจตสิกศีนฉะนั้นปัญญาวิจัยก่อนได้ไหมวิจัยในการที่จะทําให้เรารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ชัด เอายกตัวอย่างเช่นว่าฆ่าคอดฆ่าสัตว์การฆ่าเนี่ยเป็นเหตุทําให้ลงอบัยภูมิถ้าเป็นมนุษย์ก็อายุสัน้นนี่นี่เข้าใจผลไหมเข้าใจเหตุด้วยเข้าใจผลด้วยใช่ไหมถ้าเบียดเยียนสัตว์ลงอบัยภูมิแล้วยังไม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีคนโรคภยัยไข้เจ็บเยอะเหมือนท่านผู้พูดอยู่งไงอะอย่างเงี้ยนะเหมืยนชาตไม่เงี่ย อยจ่แสดงว่าสงสัยเรเดียดเดียนสัตว์มามากอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยคนนอมนี้ก็น้อมไปที่จะไม่ฆ่าแล้วกรณีที่บอกว่าคนบางคนเนี่ยมีทรัพย์สมบัติก็ถูกยึดถูกยักยออถูกลกักถูกไฟไหมถูกเผาใช่ไไอ้ที่อื่นก็ไม่เผาเดินมาเผาเนี้ยนไปโทษคนเผา แต่นคนเผาก็ททำกรรมใหม่แต่เราถูกเผาเพราะโดนกรรมเล่นไงมีเนี่ยโดนผลของกรรมเล่นหนึ่งอย่างนี้มันโทษของอาชีพนาทานก็เข้าใจก็ไม่น้อมก็น้อมในการที่จะมีสิน่ที่สอง ต, ต้องแตกแยกถูกใส่ร้ายมีครอบครัวแตกแยกถูกใส่ร้ายอะไรไปแล้วแต่นนกน็มีข้อสามเนี่ย ห็ oh, oh. ่ไหมไปที่ไหนโดนใส่ร้ายเรื่อยเรื่องไม่จริงเขาก็ใส่ร้ายตลยอดนี่นะยิงผลเลยนะลองอาไรภูมิแล้วยังไม่พอถูกตักบ้างถูกตอนบ้างมีโรคภัยแค่เจ็บก็บมีได้วงเวยตรงนั้นโอ้โหเสียหายมากอันนี้แปลประเภทที่ดีๆแล้วนี่นะ oh. ก็เหมือนว่าอภัยศัตว์บางัวน มาเกิดเป็นนิมุกนั่นแะอดาาตเจ้าปั้นนนยังเป็นไปทําปิสีเออบางทีเนี่ยนะเออพระเพราะพูทได้เจ้าก็เป็นอัมมานสมัยอดีตเนาะปั้นน น, นก็เป็นพระเจ้าเป็นดีผู้ได้เจ้าก็บอกว่าตามธรรมดาผู้หญิงเนี่ยถ้าได้ขนาด ได้โอกาสได้ที่รับก็ะทาช่วงข้อพายนะถ้ายอ้อนก็ยิงเยอะหน่อยว่ากันเนาะอันนี้อันนี้ก็พูดให้ฟังผ่านนนก็ไม่เชื่อหรอกแต่นะั้นเป็นเป็นพระราชาใช่ไหมสนิทกันเนี่ยก็บอกวันนี้จะทดลองให้ดูเพราะนะก็มีออสองสา ม, มีภรรยาภรรยานหน้าตางงาม เดินเพราะคือทั้งคู่ก็ออกมาภาพในเมืองกันเนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้ว่าอดีตชาติว่านนท์เนี่เป็นเป็นเป็นขุยวิธีในเมืองนั้นใช่ไมเพราะปลอมตัวไงเป็นชายหนุ่มเป็นมานพเนี่ยส่วนอดีตชาติพุทธิยาที่เป็นผู้พริสัทธิ์ก็เป็นทหารเป็นเป็นอมากคนสนิทมีปัญญา ถ้าใช้ปัญญาก็ให้อยู่ในม่านก็หลอกคุยกับผู้ชายแล้วก็ให้ผู้หญิงเข้าไปเข้าไปนั้นก็ทั้งฝ่ายอดีตชาติพันธุ์นนก็โรปรงบดีลงทั้งฝ่ายขอาพเิษัที่ั์ของเรานี่ก็คุยฝันแอบคุยก็มีใช่ไมไม่ใช่คุยดักไม่ให้ประตานไปไง ก็ปล่อยให้ทั้งสองคนทำกรรมนั่นะก็เลยทำกรรมชั่วด้วยการไปประพฤติผิดในการโอ้เนี่ยเห็นไหยก็วิบัตรเลยบางชาติเกิดเป็นลิงนะว่านอ น, นเนียก็โดนตักอวัยวะเพศบางหรือบางทีก็เน่านอนเจาะบ้างอะไรเงี้ยนะ นี่ไงโทษของกรรมเีงเข้าใจใช่มั้มมันเป็นแบบนี้กรรมเนี่ยเวลามันให้ผลมันให้แบบนี้หรืออย่างพระพรุทธศาสนของเราเนี่ยนะอย่างอย่างพระพรุทธศาันาเนะีบางชาตินี่นะท่านเป็นนักเลงสุรา มันมีอยู่ชาติหนึ่งนะนางอุบลวรรณนาเนี่ยนางอุบลวรรณนาเนี่ยเป็นนักบวชได้สมาบัติได้แนะนางุบนวรรณนาสามารถเข้าสมาบัติได้ทีละเป็นห้าวันหกวันนะคนนับถือกันทั่วเมืองเลยคอยไปนั่งกินเล่ากับเพื่อนเขาก็บอกว่าโอ้โหมีผู้หญิง เก่นมากเป็นเหมือนเออเป็นนักบวชนะผู้หญิงอะคนนับถือเป็นทั้งเมืองมีสมาบาตรกล้าด้วยพราะพระพุทธศาสนาบอกว่าผู้หญิงเอะไม่มีอะไรนอกจจิตใจอ่อนแงใช่ไหมจิตใจอ่อนแงจะทําให้วิบัติจากศีลจากสมาบัติง่ายมากเขาบอกว่ เขาบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยสามารถเอาเว็นภรรยาได้ให้มานั่งลิ้นเล่าให้ใ ห, ให้ให้เรากินยิงน่งได้เลยเีไ่ได้จริงท้าพนันเลยท้าพนันเลยท้าพนันกูนอนเอาพอท้าพนันเสร็จเอาไปบริษัทไปแล้วท่านมีบรรยยยัญญาจริงใช่ไหมไปเปิดใจท่ก็แต่งตัวไป็นฤๅษี ก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆใช่ไหมไปนั่งอยู่ใกล้ๆที่ว่านางอดีตชาติของนางวนเดินกลับจากรับอาหารมาท่านก็แต่ตัวบริษีนั่งหลอบตาเฉยนี่หน้าตาหน้าเรื่มใส่นางเห็นมาหูหน้าเรื่มใสก็เข้ามาทักด้วยท่านก็นั่งหลอบตาไม่มองเลย แม่นางนั้นลดศรัทธาเลยโอ้โหรบากกล้าหน้าดูเลยคงจะกล้ากว่าเราอยู่มะเพราะวันที่สองมาไม่จะต้องทักให้ยลงก็ามาทักไม่พูดด้วยจะลืมตามองๆทำท่าสำรวมนี่ไงนะนต่เขาก็มีการพูดจาไม่เกินไม่เกินสี่วันสึกเสื่อมหมดปุ๊ นะเข้าก็เลยตามหลังพระโพธิสัตว์คอยลินเล่าให้จิ้มแล้วก็มานี่มาหาที่นักเลงสุลามาหาเพื่อนก็ให้ลินเล่าเช่ก็เลยได้รางวัลก็บอกนี่ไงกลุ่มเพื่อนโงโกว่านายแน่ว่าเนี่ยเ <c oughs> สียหายไม่รู้เท่าไหร่นี่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ในชาติที่ผิดชานแต่พระโพธิสัตว์นี่นะหรือระดับอริยธาตนนี่นะ ท่านผิดพลาดแป๊บเดียวอันนี้เล่าให้ดูว่าโทษของสังสารวัตรเป็นี้ถ้าท่านจะผิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดไม่ไ ม, ไม่ไม่นานหรอกเหมือนที่ว่าท่านมาจะกพรหมเลยยะไมมีอยู่ชาติหนึงท่านมาจะกพรมเลยนะมอเกิดเป็นเรสรตรีหมดเลยไม่ปรารถนาแม้จะมองแม้จะดูแม้จะสัมผัสก็ขนาดเวลาจะให้ดื่มนมต่างๆยังต้องปิดนะ มีแต่ยื่นเนยื่นนมวานมมากันนั่นีให้ดดคือจะไม่ปราถนาเลยนั้นจะไม่กินเนยค่ะหรือจะรีดน้ํานมให้เนี่ยเอาอ่างนี่นะที่อยู่รอมาทั้งฝ่ายพ่อก็ให้ผู้หญิงโอ้อลมปฏิรงพอไปโอ้อมปฏิรง ม, มาติดใจเลยเนี่ยพอติดใจขึ้นมาโหกลายเป็นอีกคนละคนเลยถือดาบมาวิ่งฆ่าคนทั้งเมืองเลย ถ้าใครที่จะมาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ตนเองรักนี่เนึ่ยชักดาบฟันฆ่าเลยไล่ฆ่าทั้งหมดหนะเข้าแพ่เขาอเห็นโนมไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยนะไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยไล่แล้วให้ผู้หญิงไปดงได้ไปอยู่ป่าไปต้นแล้วต่อมาท่านก็ได้สมาบัตรเนี่ยรักไหนเนี่ยท่านจะเร็วหรือบางทีนี่นะ มีอยู่ครั้งนึงท่านก็ไปมีภรรยาเข้าไปอยู่ในในป่าอยู่ในอไนะอปอยูอ่ในไปไปอยู่ในใ น, ใ น, ใ, นในป่าต่อมาก็มีฤาษีเหาะมาก็ไม่เห็นภรรยาของท่านเนี่ยก็เกิดปฏิพัฒ์ท่านก็ไปธุเล็กก็เลยไปเกิดเป็นประพฤติผิในการกับภรรยาของบริสัทธ์พอบริสัท์ทมาก็โกรธเห็นไหม กระชากดาบวิ่งไล่ฆ่อตัวสีเนี่ยวิ่งหนีพอวิ่งหนีไปถึงพอนั้นโดยอเสร็จก็กระโดดตกกระโดดตกหรือท่นก็สังเกตที่เนี้ยพี่ทําไมกระโดดตกกระโดดตกเนี่ยคือจะจะหนีไงหนอไม่ได้ช้าเป็นเสือช้าเเสือมาพราะเลยสำคัญว่าจะเรียนเยนก็เลยไปถามโอ้พอเพียงได้ยินว่าเป็นนักบวชที่เน้ยใจที่เคย สั่งสมอธิยาศัยในการออกบวชมัม่งมโนออกกออกบวชไปเสร็จก็เหาะได้เลยที่ท่านยังมีอธิยาศัยรักกันก็คิดดูที่มาอยู่ในดงที่ไม่มีพระธรรมคําสอนถ้าใจไม่เ ข, มเข้มแข็งอย่างเราเราเนี่ยขนาดมีคําสอนลาดลดใจขนาดเยี่ยมบงคนยังเอาไม่อยู่เลยไม่ต้องพูดถึงถ้าเราจะไปเกิดในยุคมืดนะ ยกเยกยกยอดแทงศูนย์เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราจะกลายเป็นคนชั่ว ม, มากจงไว้เลยจะชั่ว ม, มากก็ ข, ขนาดมีคำสอนของพุทธศาสนาของพุทธเจ้านี่นะราดรถจิตใจทุกวันจริงไหมโยมจริงไหมราดรถทุกวันมันยังขาดเนี้ยถ้าไม่ได้เคยรู้เรื่องคำสอนเลยเอะ แล้วไปอยู่ในยุคที่ไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของาศาสดาที่ถูกต้องเลยล้วจะเป็นอะไรเนี่ยน่ากลัวนะจริงไหมน่ากลัวไหมฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่รีบเร่เงวนข ว, ขวาเนี่ยเราจะไปเร่งวนขวาตนเยเลือกตังคมีนิดแคบบ่ยหนั่กฟังไม่ปัญญา พระโพธิสัตว์เป็นธรรมะแลบอกว่า่าว่าญี่อยู่ที่ไม่เนสาไม่ใช่อ๋อหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยหนึ่งได้โอกาสได้ขณะและได้ที่รับที่จะไม่ทาชั่วนะไม่มีที่จะไม่ทาชั่วนะไม่มี ขอให้ได้โอกาสได้ที่รัไดไ ด, ได้ขนา ด, ด, า ด, ดนาดน่าิิรรเอี้้้ยขะจง จ, จ, จ, จงงจ อย่าพูดตรงนี้ต้องอธิบายเก็บความเดีือวเราจะมีคางแทงกันอ่าแล้วผู้ชายเลยใช่ไหมเออนี่ตรงเนี้ยมาสังเกตว่ายอมหลายคนอาจจะคิดว่าเ อ, อ๊ะทำไมพุ่งเป้ามาที่โยมผู้หญิงเลยท่องสอนพระเจ้าทำไมเป็นคืออย่างนี้ ในสังสารวัตรเนี่ยที่ผ่ามาเนี่ยก็จ้างที่เต๋าเต๋อพระฤๅีนี่พระฤๅษีหลับตาเสงจะไงาะดื่มวันที่หนึ่งหลับตาวันที่สองื่มหน่อยวันที่สามอะไรพูดด้วยก็สนทนาสนทานาเป็นสนทนาในสุดจริงๆก็โอ้ลมปฏิลมพระฤๅีกับแพก็โอ้ลมปฏิลมนางนะนางนั้นก็เลย ใจก็เกิดลาคะคือพระโพิสัตว์ในท่านมีความฉลาดในการพูดอยู่เลยท่านก็พูดถึงความงามพูดถึงภารณาอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนจริงๆก็อดีตชาติของนางเวอร์เวน่าก็ก็เผือใจกามราภะก็ก็เกิดความรักในพระบริสัตขึ้นมาก็เลยน้องสืบออกมาแต่นางนี่เริมเป็นผู้ชนชิงก็มีสมาบัติ มีสมามีศีลเนี่ยีเสินแตกทำลายหมดเลยใช่ใช่ก็ราคาเขาไปตัวทำลายอยู่